ติตั้งมั่นปกประคองจิตของตนอยู่เสมอเสมอ ต, ตั้งแต่อารมณ์ต่างๆมันจะมากระทบกระทั่งเข้าแล้วจะได้รู้เท่ารู้ทันเพราะสิ่งด่างเปงที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่จิตนี่สิมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันยังหลงยินดียินร้ายไปตามอยู่อ น, นี้นะเนี่ยการปฏิบัติโทดโดยลวกรักตัดตอนเพื่อให้ได้ความชัดๆลงไปผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริง อันไปยินดีนรายไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอืมไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการที่มันจะเกิดกิเลสพันหนาตันหน้าลอยแตะขึ้นในใจก็เพราะมันเกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้น ความยินดีย่งไรนั่นแหละมันเป็นสื่อของกิเลสต่างๆอันยินดีมันก็เกิดความโลภขึ้นมันอยากได้ในสิ่งที่ต้องการถ้ายินดีมากๆเข้าไปตนแสวงหาไม่ได้ทันออกทันใจมันก็คิดทุดจริขขึ้นมา เป็นหลอกลวงช่องกงกี้โกรดเอาของผู้อื่นเป็นของตนก็เพราะความยินดีเนะี่ยะเป็นมูลเหตุทําให้เกิดความโลภเล่งเ้่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นความโกรธเมื่อบุคคลไม่สำรวมจิต้าว่าเกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนั้นมันจะมีกําลังแรงกล้า เพราะว่าไม่ไม่มีสติสำรวมระวังไม่มีสติบังคับจิตไว้ดังนั้นความโกรธมันจึงรุนแรงขึ้นเมื่ออดทนทนไม่ไหวในทางจิตใจแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจากล่าวว่าจะอันหยาบคายต่างๆนานาอ่า เรียกว่ากล่าวว่าจะาเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้แหละมันเกิดจากความโกรธอะไรเป็นมูลเหตุนะไม่ใช่อื่นกลอะไรในทางกายทำไมาถึงทุบตีผู้อื่นก็แสดงกิริยาหยาบโลนต่างๆนานาออกมาให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนนั้นกำลังกโกรธอยู่ อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอันมูนี้นะบุคคลทุกไปถือเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละมนุย์กินแป้สักทีจึงไม่สามารถจะละกิเลสออกจากกิตใจได้เพราะว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นนะแล้วที่ไปกําหนดละเอามันดื้อๆอย่างนีนะ้จะให้มันหมดไปทันทีเลยไม่ได้นะอืม มันต้องค่อยสบรวมระวังจิตใจในี้ไปโดยลำดับไปค่อยระวังอย่าให้มันเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นต่ออารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆนี่น ะ, ะถ้ามันยังละให้ขาดเด็ดไม่ได้ก็ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นเพียงเบาๆอย่าให้มันรุนแรง เมื่อมันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเบาๆอย่างนี้อก็สามารถมีสติเตือนจิตได้เตือนจิตว่านั่นความรู้สึกนึกคิดอนุใหม่ใจหขนทางคนทุกข์มันทางไปสู่ทุกข์มันพอคิดได้พอเตือนตนได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเข้ามาแล้วมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดเลยเป็นไปอย่างนั้น มันจะไปนรกส ก, กี่ขุมก็ไปเมื่อมันโกรธมาอย่างรุนแรงแนละ้วมันเป็นอย่างนี้นดังนั้นแหละให้พึ่งพากันสังวนระวังเลือ่อยไปให้รู้ตัวว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเมื่อเมื่อรู้ว่าตนยังละกิเลสไม่หมดแล้วอย่างนี้ก็จะต้องมีการสำรวมระวังตนเลือ่อยไปเป็นอย่างนั้นทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้ง ทางหนที่ต่อหน้าคนหมู่มากและทางรับหลังก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดเลื่อนลอยไปโดยปาดราศจากเหตุผลต้องให้เกิดความคิดหรือว่าดาริขึ้นให้เป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนะนะคือความคิดว่าทำยังไงหนอเราจึงเกพ้นจากการม ตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณ ห, หาเหล่านี้นี่ความดําริในใจอย่างนี้นะเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นทางพ้นทุกข์เพราะเมื่อบุคคลมาดําริอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเห็นโทษแห่งกรรมว่าตัณหาต่างๆเหล่านั้นเห็นโทษว่ามันก่อกวนให้เป็นทุกข์เปื้อร้อนมาในสงสารจนถึงปัจจุบันนี้ มันก็ยังมารกบกวนให้เดือดร้อนอยู่ทำไงหนอเราจึงจะค้นจับทุกข์เหล่านี้ไปได้บุคคลมาดำริในใจอย่างนี้มันก็ย่มองเห็นช่องทางอที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะไว้ได้เราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาอย่างไรนี่ไอ้ทำเครื่องแก้เครื่องแล้ครับกิเลฒมันมีอยู่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้แล้ว แต่มันสำคัญอยู่ที่บุคคลไม่คิดว่าจะละกิเลสนี่สิสำคัญนะคอยเข้าใจเมื่อไม่ดำรีว่าจะละกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ละเลยมันก็ไม่ละมันก็ปล่อยให้จิตตกอยู่ใต้อานาจของกิเลสอย่างนั้นแหละเรื่อยไป นี่ขอนี้สําคัญมากนะฟังให้ดีคิดให้ดีผู้ท่านละกิเลสตัณหาได้ทั้งหลายนั่นล้วนตั้งแตเห็นโทษของกิเลสใ้พาก่อนทั้งนั้นเลยนั่งภาวนาแล้วเมื่อกิเลสมันรกปวนใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้ก็เห็นโทษของกิเลสดังนั้นแหมกิเลสนี่ทําให้เราเป็นทุกข์ เ, เกินเลยแต่เราละมันไม่ได้เอาชนะมันไม่ได้ อย่าเลยเราจะไม่ถอยความเพียนเราจะเอาชนะมันให้ได้นี่แหละความดำรีอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นผู้มีความดำรีชอบเมื่อดำรีอย่างนี้้ะมันก็พยายามเลยนี้ไม่ส่งเสริมความกาหนัดยินดีไม่ส่งเสริมความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจหมู่นี้นะไม่ส่งเสริมความหลงความเมาต่างๆ ไม่ส่งเสริมทํำยังไงอ่ะก็เมื่อมันวิตกขึ้นมารู้แล้วก็กําหนดละทันทีไม่ปล่อยให้มันวิตกไปนานเนี่ยเรียกว่าไม่ส่งเสริมกิเลสให้เข้าใจถ้าปล่อยให้มันวิตกวิจารณไปนานๆเข้าไว้กิเลสอ่มันยังมีกําลังกล้าขึ้นไปโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุให้จิตใจฟ่อนเฟือน เมื่อจิตใจฟ่อนเฟือนเต็มที่แล้วมันก็ทนไม่ไหวต้องแสวงหามอะไรวบานี้นะอ่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้ในพรหมจรรย์นะีเนะต้องสืขาลาเพศไปถ้าเป็นขราชกก็ต้องนอกใจผัวนอกใจเมียในทางพะเวณีอ่มันเป็นนะความเป็นผู้มักมา่ใจกามทั้งหลาย แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระวัติตอนสูดนะผู้ใดผูกพันอยู่ในกามมติหาอย่างว่ามานี่เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนนี่ลองเอาไปคิดไปตรองดูเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแล้วเป็นเหตุให้มีรูปมีหลานขึ้นมา เ, เหตุให้แสวงหาเงินทองเข้าของต่างๆไม่มีเวลาพักคนบุญน้อยยิ่งเป็นทุกข์หลายหาเท่าไรก็ไม่ได้ทังใจหวังขอแต่ประทังชีวิตไปวันๆไอ้อย่างนี้นะการที่บุคคลผู้รู้อมนาาแก่กรรมมาตันหาการรมมาสุขสมบัติอันนี้มันได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะมันเป็นเหตุที้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนอย่างที่ว่ามาแล้วนัว่นแหละ ต้พิจารณาให้มันเห็นผู้ที่เป็นรครือข่ายองเรือนก็ต้องพิจารณาหเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนอย่าไปทำคันมั่นหมายว่าการอยู่ครองเรือนนี่มันเป็นสุขสบายดีผู้ใดคิดอย่างว่านี้ก็ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไม่เห็นเหตุผลแห่งการอยู่ครองเรือนตามเป็นจริงอืม ถ้าโดยเหตุผลแล้วมันหาความสุขความสบายไม่ได้เราผูอยู่ครองเรือนนะอ้าวผู้มีสมบัติมากๆเช่นนี้ก็มีโจรขโมยมาคอยแย่งสิ่งเอามากมากไ อ, อตัวผู้เป็นเจ้าของทรัพย์มันอยู่ไม่เป็นสุขเลยกลัวเขาจะมาฆ่าแล้วเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปอย่างงี้นะอะมาอย่างนั้นก็กลัวญาติพี่น้องจะมา ขอมาพึ่งพาอาศัยมากู้มายืมถ้าไม่ให้ก็ไรโ ย, ยูเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเมื่อกู้ยืมไปแล้วหาดอกเบี้ยส่งให้ไม่ได้ทนทุนกับส่งไม่ได้อย่างนี้ก็สูญไปเป่าๆถ้าเจ้าฟ้องน้องอย่างไรก็เป็นญาติพี่น้องกันหนอไอ้คิดอย่างนี้แนละ้วก็กลุ้มใจอหลายอย่าง ไอภัยของความเป็นผู้มีทรัพย์มากนี่นะมีหลายอย่างหลายประการอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องใช้ปัญญาพิณิพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นทั้งนักบวชทั้งกรือฮัดก็ต้องให้เห็นแต่ผู้คองเรือนเห็นโทษของกา ม, มาตัณหา แต่ก่อละมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ควรรู้เท่าว่าการมาตัญหานี่บุคคลผู้บริโภคความอันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันทาเป็นเหตุให้ได้ทำบาปทำก็ชั่วใส่ตัวทำทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้แหละให้เห็นโทษแห่งการครองเรือนโดยไม่มีสติปัญญา หลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษทุกต่างนี่ผู้ครองเรือนนับว่าควรควรอบรมปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนนะเมื่อคลองเรือนไปแล้วทำมาหากินโดยทางสุจริตมันไม่ได้ถามใจหวังเลยอย่างนี้นะแล้วมันก็เกิดอกุศลกิดขึ้นมาก็าแสวงหาโดยทางสุจริตทางเป็นบาปเป็นโทษอย่างที่ว่านั้นเนี่ย เมื่อเป็นเช่นนี้การครองเลือนเมืนกนรว่าไม่มีความสุขทั้งในปัจจุบันและทั้งในโลกหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้บุคคลผู้หากินในทางสุจริตจะต้องระวังตัวอยู่อยงนั้นกลัวเขาจะมาแก้แค้นอืต้องสะดุ้งอยู่อย่างนั้นแหละยิ่งอยู่ดีไมด่ดีบางลายก็ถูกเขาแก้แค้นตายกันเหมือนกันแหละอืมตายกันเยอะแยะเลย อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ทุจริตแล้วอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์เดืดร้อนล่าโลกนี้ไปแล้วด้วยกรรมวิบาก ท, ที่ตัวทําในโลกนี้มันก็จะตามสนองนําดวงขิดนี้ไปทนทุกข์ทรมานในโลกหน้าต่อไปนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาเองนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงบังคับ ใ, ใครๆละม่นเรือนออกบวชทั้งหมด พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยผู้ใดจะสมาใจครองเรือนก็ครองไปแต่ว่าให้ครองโดยศีลโดยธรรมอย่าให้มันออกนอกศีล น, นอกธรรมไปนี่สาคัญตรงนี้แหละแต่ว่าผู้ที่จะครองเรือนโดยศีลโดยธรรมได้นั่นมันก็ต้องอาศัยการได้ฟังคําสอนของพระเจ้าบ่อยๆ อ, อบรมจิตใจให้สงบตั้งมัน่น ลงไปแล้วปัญญามันเกิดขึ้นเราก็มองเห็นช่องทางที่ทำมาหาเรี่องสียบโดยทางที่ชอบอืมมันก็มองเห็นได้บุคคลผู้ไม่อบรมฝึกฝนใจเขาสนให้สงบให้ีผ่องใสใจเต็มไปด้วยคีเลตเต็มไปด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนั้นย่อมไม่มีปัญญาที่จะหาช่องทาง ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตได้ขอให้เข้าใจนี่แหละคนเรานะที่ไม่ได้ทำบาททำกรรมอยู่เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สนใจพระธรรมคาสอนของพระเจ้าไม่ได้ฟังฟังแล้วก็ไม่ได้ลงมือไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามเช่นท่านสอนให้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ไม่นั่งเอาไปความเกียดคร้านแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราว เป็นเครื่องอยู่เช่นนี้เราจะมีปัญญาอะไรล่ะมันจะมีปัญญาหลีกเลี่ยงจากทุกข์จากโทษได้ยังไงอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นผู้เช่นนั้นน่ะก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ประมาทปมาโดมัตุโดปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายพระพุทธเจ้าแสดงไว้มีอธิบายว่า ผู้ประมาทหมายความว่าผู้อยู่ปะสะา ส, สิจักสติสัมปชัญญะไม่สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยต่อคําสอนของผู้พุทธเจ้าปลอยใจของตนให้ตกเป็นทาสของโลความโลภความโกรธความหลงมานา่าทิฏฐิสางไปตามอํานาจของกิเลสทําดีบ้างทําชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอันนี้ละท่านเรียกว่าเป็นผู้ประมาท ในชีวิตเป็นอย่างนั้นไอ่ทาดีก็ดีอย่างโลกโลกนั่นเองอย่างว่าเขามีการงานอะไรส่วนรวมเกิดขึ้นซ่อมแซมถนนน้นทางหรือว่าราอะไร่ า, าช่วยกันก็ไปช่วยกันอย่างนั้นก็ถือว่าตนได้ทำดีแล้วไอ่อย่างนี้นะส่วนว่าการฝึกใจฝึกกายวาจาให้อ่อนโยนอ่อนน้อม ฝึกใจให้อดทนต่อคําด่าว่าเสียดสีต่อความกระทบกระทั่งใตา่างๆนี้มันไม่ยอมฝึกกันเลยพอใครกระทบกระทั่งความกบโคลดขึ้นมาทันทีอ่เกิดทะเลาะวิวาดกันขึ้นมาไอ้อย่างนี้นะมันชื่อว่าจะทําดียังไงแล้วนั่นแหละคําว่าทําดีในพุทธศาสนานี่หมายความว่าต้องไปผู้รู้จักฝึกตนให้หนักเล่น อยู่ในกุศลคุณงามความดีอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งในโลกนี้เพราะโลกธรนิวัตอันนี้เนะ่ะมันมีทั้งดีทั้งชั่วบางทีชั่วมันก็มากระทบเอาบางทีมันก็ดีก็ามาถึงเท่าอย่างนี้จะเป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ละวันแต่ละคืนนะไม่มากก็น้อยแหละความดีและความชั่วมันกระทบกระทั่งมา ดังนั้นและผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอคอยห้ามสิบห้ามใจตนอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็จะไปลืมตัว ให้มันกลัวดูจิตของตนเสมอมีสติคอยระวังอยู่อย่างนั้นพอระวังอยู่นั่นแนละ้วมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันเลยอืมันก็ไม่วันไหวไปตามรู้เท่าทันแล้วมันก็กาหนดละไม่ถือมันอารมณ์อันนั้นไว้ด้วยความยินดีความยินร้ายต่างๆอย่างนี้นะไม่ถือไว้เลยถ้าถือไว้มันก็ก่อให้ความ โลกของมโกรธเกิดขึ้นมาแหละทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น่ะควรพากันเข้าใจในวิถีทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นี่การที่ปฏิบัติเช่นนี้นะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเราั้นเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่ ทรงสอนว่าไม่ต้องอ้อนวอนบวงสวงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือตอนให้มีความสุขความเจริญต่างๆนั่นน่ะนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ไม่ได้ทรงพระประสงค์อย่างนั้นเพราะจะอ้อนวอนวงสวงอะไรมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากิเลตนั้นก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาความโลภโกรธหลงที่ไหมครใครไม่จะหยิบยกออกมาให้นะจิตที่สร้างขึ้นต่างหาก ท่านนี้เมื่อจิตสร้างขึ้นแล้วจะให้ผู้อื่นมารบล่างให้นี่มันเป็นไปไม่ได้มันผิดกฎธรรมดาเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อจิตสร้างขึ้นมาจิตก็ต้องเป็นผู้ละมันถ้าเห็นว่ามันไม่ดีอย่างนี้นะก็ต้องเพียนละมันไม่ไม่ได้อย่างรวดเร็วก็เอาช้าแต่เทียนไม่ถอยละกันไปทีละเล็กทีละน้อยไป ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันก็เบาไปอยู่ในตัวนักนนะกิเลสตัณหานะ่ไอ้บางคนใจร้อนไอ้ทาความเพี้ยนขคักขม่นเข้าไปจะละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปพันทีเลยอย่างนี้นะเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วเฮ้เรานี่เห็นจะมีวาสนาน้นยเห็นจะไม่มีวาสนาที่จะมาละกิเลสตัณหานี่ให้ มาวางรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี่ได้เราไปทำบุญให้ทานอยู่เป็นครืหัสทำบุญทำทานอยู่ดีกว่าถ้าเป็นนักบวชนะถ้าเป็นครืหัดก็เขยเมยแล้ววะนี่ไม่นำพาในการทำความดีต่างๆในพระพุทธศาสนาพราถือว่าตนจะมีบุญน้อยอ่าวาสนาน้อยเอื้อมไม่ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะ นี่เข้าใจแค่นั้นในว่าเข้าใจผิดจากเหตุผลอืเหตุผลมีอย่างไรเหตุผลก็มีอยู่ว่าอุปมาเหมือนอย่างบุคคลไปเจอไม้ต้นหนึ่งไม้ใหญ่มีแก่นมากอย่างนี้แล้วต้องการเอาเงามันด้วยอืทํายังไงบะนี้เอาธารรามดาไม้ใหญ่เนะี่ยไปตัดเพียงเดี๋ยวเด๋ยวจะให้มันโค่นลงเลยนะไม่ได้มันก็ต้อง หาเครื่องไม้เครื่องมือหาขวานหาอจอบเทียมอะไรมาพร้อมแล้วก็ขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นลงไปอตัดรากนั้นออกไปแล้วไปขุดลงไปเจอรากไหนก็ตัดรากนั้นลงไปอย่างแล้วก็หมดไปหมดไปรากไม้ชนนั้นเป็นอย่างนี้เนะอยในที่สุดมันก็หมดเอรากถอยหมดไปอย่างรากแก้ว เจาะให้ลึกลงไปไปถึงรากแก้วแล้วก็ตดัดรากแก้วขาดรากไม้ตัว น, นึงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็ตายล้มลงอืที่อโวมาข้อนี้ชันใดก็อย่างนั้นเนี่ยกานที่เราที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่นะเพราะพระองค์ได้ละมาแล้วได้ภาคเพียรมาแล้วก็วกิเลสตัณหานี่มันเหนียวแน่นมาก ไม่ใช่จะละเอาได้ง่ายๆต้องอาศัยบุญบา ร, รมีให้มากเต็มที่เลยทีเดียวแหละบุญบา ร, รมีมีมากไปเท่าใดก็สามารถลักกิเลสตัณหายบอบางไปได้เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้นะปฏิปทาในพุทธศาสนานี่นะถ้าคนนั้นสร้างบุญบา ร, รมีให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วบุญบา ร, รมีอ น, นั้นมันก็กำจัดกิเลส ภายในจิตใจของคนเราได้ให้หมดสิ้นไปไม่มีเหลือเลยดังที่พระอรหันต์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นในโลกนี้นท่านผู้สำเร็จอรหัตทั้งหลายแสดงว่าสร้างท่านสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนีดเต็มบริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นบางพวกนีดเต็มจริงๆจนว่าไม่ต้องทำกวามเบียนอะไร พระองค์ แ, แสดงธรรมเพียงบาทพระกาถาเดียวจบลงก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการตั้งวงแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอออื่บางคนเน้อยยังไม่เต็มดียังนิดหน่อยอพระองค์ทรงแสดงธรรมยกหัวข้อธรรมขึ้นแล้วอธิบายไปพอสมควรจบลงก็ได้บรรลุอรหัตอรหันต์ไปแล้ว นี่เดียวว่าท่านเป็นผู้สร้างบา ร, รมีมาอย่างยอดเยี่ยมเลยท่านเหล่านี้นะทีนี้บางพวกยินเียยังอ่อนอยู่แม้พระองค์จะแสดงทำวิเศษหยดย้อยพิสดารกุ้งขวังอย่างไรอย่างไรคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เรู้มรรคผลในขณะที่ฟังธรรมแต่ว่าได้ความปีติได้ความรู้ความเข้าใจ ในธรรมะปฏิบัตินั้นแล้วก็จําเอาไว้ที่นี่ก็เป็นน้องนำไปปฏิบัติตามเมื่อซาดานั้นปฏิบัติตามไม่ท้อไม่ถอยอบรมศีลให้แก่กล้าขึ้นไปอบรมสมาธิให้แก่กล้าขึ้นอบรมปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้ก็ทําให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นโดยลําดับอแต่อย่างนั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะ่ะ บุญท่านเหล่านั้นน่ะบุญเก่าท่านก็ทํามามากพอสมควรอยู่แล้ววันนี้เมื่อ ม, มาสร้างบุญใหม่นี้เข้าไปอีกมันก็ลอยมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มเมื่อมันเต็มแล้วทําความเพียรไปท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลถ้าหากว่าบุญบา ร, รมียังไม่ถึงนั้นก็บรรลุโสดาสกิตาคาอนาคาไปตามบุญวาฏสงฆของตน เอท่านทั้งจำพวกที่สามนี้นะ่ะแน่นอนในชีวิตของท่าน่ะท่านต้องได้บรรลุมารคผลในชาตินั้นแน่นอนเลยบางท่านก็ได้บรรลุเวลาจวนจะสิ้นสีบทําลายขันก็มีอย่างนี้แหละอันนี้ให้พาเมื่อได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดไปพิจารณาเรื่องบุญบา ร, รมีของคนเราเนี่ยมันยิ่งกว่ากันย่องกว่ากันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบุคคลจะมาละกิเลสโดยไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมี มันก็หมดสิ้นไปได้อย่างนี้ไม่โอ้ใชอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ส่งสร้างบารมีมาให้แสนทุกแสนยากแสนลาบากในสงสารอะไรนักหนาทั้งสี่อสมไยปลายแสนมาหากลับนี่ก็จึงค่อยเต็มบริบูรณ์ได้พระองค์จึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้โดยการทั้งพวงลองคิดดูอ่ะในภาษาพวกก็เหมือนกันนะ่ะต้องสร้างบารมีตามพระองค์มา บา ร, รมีสิบประการนั้นท่าน ต, ต้องสร้างมาฟร้างแต่ว่าพระสาวกนั้นสร้างไม่มากเหมือนอย่างพระพระโุโธทภยานเพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี่มีภูมิกว้งใหญ่ไพศาลเนื่องจากว่าต่างสอนคนทั้งโลกถ้าหากว่าพระองค์ไม่มียานไม่มีความรู้สูงกว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายพระองค์ก็สอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายไม่ได้เลย แต่อย่างนั้นแต่นิภูมิของพระ เ, เจ้าน่ะใครจะมีปัญญายัางไงไปทูลถามปัญหาของพระองค์พระองค์จะติดค้างในปัญหานั้นจะอธิบายไม่ได้นี่ยไม่มีเลยเนี่ยครงแก้ปัญหาให้ผู้ฟังพออกพอใจจริงๆอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเข้าใจกันอย่างนี้พรเมื่ อ, เ, อเข้าใจอย่างนี้แล้ว เมื่อก็ต้องสำรวมจิตนี่เป็นฉากแรกเลยทีเดียวเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดตาทำงานอะไรอยู่เวลาไหนก็ตามก็มีสติสมยยัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่อย่างนั้นแม้เราจะสังคมกับคนจะพูดจะสนทนาปราใยอะไรเราก็ไม่ลืมจิตใจตัวเองกำหนดรู้ว่าจิตตนเป็นปกติอยู่ ไม่วันไวไปตามเรื่องที่สนธนาปราไซต่างๆหมู่นั้นรู้เรื่องของตัวเองอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่ภาคเพียนพยายามสํารวมจิตดังนี้เป็นพื้นฐานจะก่อนแล้วมันจะไปทำความเพียรอาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจึงจะสํารวมจิต ทีเดียวเลยเนีย่ไม่มีทางนะที่จะทาจิตให้สงบลงได้นะ ม, มันต้องฝึกไปทุกวิธีบทแหละกลางวันกลางคืนไม่ว่าอย่างนี้ก็วิธีฝึกจิตก็ไม่มีอะไรมากมายนะทีแรกก็ทำจิตให้สงบนิ่งลงไปรู้ว่าจิตไม่มีอารมณ์แล้วภายนอกไม่ได้คิดปรุงแต่งไปอารมณ์ภายนอกอะไรนะอะไรนีนะ้ในขั้นต่อไปก็ จเจริญปัญญาเลยหาอุบายมาสอนจิตเนี่ยทำอย่างไรหนอจึงจะพ้นจากกรรมมาติหาอันนี้อันนี้เป็นอุบายจเจริญปัญญานะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราวิสกทธกันนี่แล้มันก็ค่อยรู้ค่อยเห็นช่องทางขึ้นมาอุบายนั่นน่ะาจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเนี่ยถึงจะละกรรมมาตินหนานี่ได้ดังได้อธิบายให้ฟังมาโดยลำดับนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพากันร็คืดปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้